วันนี้เป็นวันสุขที่14ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันหยุดต่อเนื่องเป็นวันหยุดพิเศษที่ทางราชการได้กำหนดขึ้นมาเพื่อให้มีวันหยุดติดกัน4วันด้วยกัน วันนี้จึงถือว่าเป็นวันกำไลบุญสำหรับท่านที่ชอบทำบุญโดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพราะการจะปฏิบัติธรรมได้จำเป็นที่จะต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆถ้าจะทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วย มันจะค่อนข้างจะลำบากเพราะมันเป็นการเดินสวนทางกันทางโลกนั้นไปทางหนึ่งทางธรรมไปอีกทางหนึ่งทางโลกนี้จะออกไปทางข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกิ้นกายออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ก็จะทำให้จิตใจนั้นค่อนข้างจะวุ่นวายเพราะการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆทำให้ใจนี้ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ ทางธรรมนี้เป็นทางตรงกันข้ามกับทางโลกทางธรรมนี้เป็นการเข้าข้างในเข้าไปสู่ใจออกจากตาหูจมูกนิ้วกายเข้าไปในใจเข้าไปในความว่างเข้าไปในความสงบซึ่งจำเป็นที่จะต้องไม่มีเหตุการณ์ ทางตาหูจมูกลิ้นกายมาคอยดึงให้ใจออกไปข้างนอกถ้ายังมีการทำงานทำการมีธุระอะไรต่างๆอยู่การจะปฏิบัติทำเพื่อดึงใจให้เข้าสู่ข้างในย่อมเป็นไปได้ยากยากกว่าเวลาที่ ไม่มีงานมีการให้ทำํำพอไม่มีงานการให้ทํานี่เราก็จะไม่มีเรื่องราวทางตาหูจมูกลิ้นกายดึงออกไปเราก็จะสามารถที่จะดึงใจให้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายให้เข้ามาสู่ภายในใจเข้ามาสู่ความสงบ ความเย็นความสบายใจได้ดังนั้นถ้ามีเวลาหยุดจากการทำงานทำการต่างๆจึงถือว่าเป็นการกำไรของชีวิตผู้ที่ไม่ทำงานนี่แหละถือว่าเป็นผู้ที่กำไรไม่ขาดทุนในทางธรรมงนั้น ถ้าท่านกำลังตกงานอยู่ไม่มีงานทำอย่าไปเสียใจควรจะดีใจว่ามีเวลามาปฏิบัติธรรมกันได้มีเวลาเข้าหาความสุขอันเดิศอันประเสริฐได้ท่านที่มีงานทำนั่นละเป็นผู้ขาดทุนทางธรรมเพราะว่า จะไม่มีเวลาที่จะเข้ามาหาธรรมเข้ามาตัดตัวความสุขของธรรมได้เลยเพราะจิตใจจะถูกภารกิจการงานต่างๆคอยดึงไว้ไม่ให้เข้าข้างในได้นี่ถ้ามองทางธรรมนการตกงานการไม่มีงานทำนี่กับถือว่าเป็นเป็นประโยชน์เป็นความ กําไรกําไรบุญได้มีโอกาสได้ทําบุญกันได้มีโอกาสได้ปฏิบัติทํากันถึงแม้จะไม่ร่าไม่รวยถึงแม้จะไม่มีเกียรติมีหน้ามีตามียศมีสังสรรเสริญมีรางวีรางวัลถึงแม้จะไม่ได้ไปเที่ยว ถึงแม้จะไม่ได้มีเงินไปซื้อข้าวของหรูหราของสวยๆงามๆของแพงของแพงๆก็ตามแต่สิ่งที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราความากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่ในโลกนี้มีอยู่งั้นถ้ามองในทางธรรมแล้ว ผู้ที่ไม่มีงานทำนี้ถือว่าเป็นผู้ที่กำไรส่วนผู้ที่ยังต้องทำงานทำการอยู่นี้ถือว่าเป็นผู้ขาดทุนเพราะจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาปฏิบัติเพื่อเข้าสิงธรรมนเรศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้เลยนั่นเองทุกคนที่ต้องการธรรมนเรศอันประเสริฐ คือวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ที่ต้องการความสุขของพระนิพพานจำเป็นที่จะต้องไม่มีงานทำทางโลกถ้ายังมีงานทำทางโลกอยู่นี้จะไม่มีทางที่จะเข้าถึงเพราะทำมันประเสริฐคือวิมุตติหลุดพ้นพระนิพพานได้ได้เลย กังนั้นวันใดที่เรามีเวลาว่างจากการทำงานแม้จะเป็นชั่วคทั้งชั่วคราวหนึ่งวันสองวันก็ต้องถือว่าดีกว่าไม่มีเลยได้เงินสิบบาทนี้ดีกว่าไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่นี้ถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายธรรมเราต้องรีบ <c oughs> ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมทันทีเลยอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเพราะว่าเวลามันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆในชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้จะสั้นลงสั้นลงแต่อายุมันยาวขึ้นอายุจากสิบก็เป็นยี่สิบจากยี่สิบก็เป็นสามสิบ อายุมันก็จะมากขึ้นไปตามเวลาที่ผ่านไปแต่เวลาที่เหลืออยู่มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆอายุก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆเวลาที่จะมีให้กับการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข <c oughs> แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบขวนขวายไม่รีบตักตวงเอา ประโยชน์จากเวลาว่างที่เรามีอยู่กันอย่าปล่อยให้กิเลสเอาไปหมดมีวันหยุดแล้วอย่าให้กิเลสเอาไปใช้ในวันหยุดทํางานถ้าไม่มีความสนใจในธรรมนี่มีวันหยุดก็เหมือนกับไม่มีวันหยุดเพราะกิเลสก็จะเอาวันหยุดนี้ไปชวนไปเที่ยวกันช่วยไปช้อปปิ้งกัน ช่วยไปดูไปชมไปอะไรกันเวลาที่จะเข้าหาธรรมก็เลยไม่มีในวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะคำนึงอยู่เรื่อยๆก็คือเวลาอันสำคัญนี้ถ้าเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่ อย่าปล่อยให้มันผ่านไปหลุดไปโดยการไม่ได้เอามาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางของธรรมได้ก็จะอยู่ที่การปฏิบัตินี้อยู่ที่การศึกษาแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติ เมื่อได้ศึกษาแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพอนำมาไปปฏิบัติมันก็จะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องได้เป็นสุ ป, ปฏิปนันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้และนำไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ผู้ที่สนใจในการปฏิบัติในการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ถ้าอยู่ร่วมกันถ้ามีการสนทนาธรรมกันให้สนทนาธรรมที่เกี่ยวกับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันอย่าไปสนทนาอย่าไปคุยเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องธุรกิจเรื่องนิทานกาเลเรื่องชาวบ้านชาวช่องที่นิยมกันในสังคมโซเชียลทั้งหลายวิภากวิจารกันไปกันมาเกิดอารมณ์เกิดความเกลียดชังเกิดความรักเกิดปัญหาต่างๆตามมากันเกิดความวุ่นวายใจ ไม่มีประโยชน์อะไรต่อการทำใจให้สงบเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้มาสนทนาทำสิบหัวข้อด้วยกันทำที่จะสร้างธรรมะสร้างเหตุที่จะทำให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หัวข้อข้อที่หนึ่งที่ควรจะสนทนากันก็คือความมักน้อยข้อที่สองคือความสันโดษข้อที่สามคือการไม่คุกคีกันไม่สังคมกันข้อที่สี่การไปปลีกวิเวกข้อที่ห้าความเพียงในการปฏิบัติธรรม ข้อที่หกเรื่องศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี 5, ่บเจ็ดเป็นต้นแล้วก็ข้อที่เจ็ดก็คือเรื่องสมาธิความสงบของใจความตั้งมั่นของใจข้อแปดก็คือปัญญาความรู้ที่จะทำให้จิตหลุดพ้น จากความทุกข์ข้อเก้าก็คือวิมุตติการหลุดพ้นของจิตจากสังโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงและข้อที่สิก็คื อ, อวิมุตตนะิยานทัศนยานอย่างทราบถึงการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วนี่คือหัวข้อธรรมะที่ผู้ปฏิบัติ ผู้ที่สนใจต่อการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ควรจะสนทนากันหรือควรจะเรียนรู้กันถ้าไม่รู้ว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรนี้ขอให้ดูธรรมะสิบข้อนี้แล้วถามตัวเราเองว่า เราเริ่มปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรืออย่างในสิบข้อนี้ถ้ายังไม่มีในสิบข้อนี้ต่อให้ปรารถนาการหลุดพ้นมากน้อยเพียงไรผลคือการหลุดพ้นนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนการหลุดพ้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามสิบหัวข้อนี้ ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้รู้และให้เข้าใจแล้วก็ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมคือต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยๆเอามาพิจารณาอยู่เนื้งเเพื่อที่เราจะได้มีแผนที่ที่จะเดินตามได้ถ้าเราไม่มีแผนที่เราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปทิศทางไหนเช่นท่านที่ไม่เคยมาที่วัดนี้ ก็บางทีก็ต้องอาศัยแผนที่หรือผู้บอกทางบอกว่าจากบ้านนี้ต้องขึ้นถนนสายไหนมาตามทางเส้นไหนถึงจะมาถึงที่นี่ได้การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเืียนว่ายตายเกิด<อ>ก็เช่นเดียวกันเป็นจุดหมายปลายทางที่จำเป็นจะต้องมีแผนที่บอกทางสำหรับผู้ที่ยังไปไม่ถึงผู้ที่ยังไม่รู้ว่า การจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปราฏนานั้นไปได้อย่างไรก็ต้องมีแผนที่มีธรรมะที่จะนำพาไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นธรรมะที่เราต้องปฏิบัติกันเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างแน่นอนนี้ก็คือธรรมะสิทธิปการนี้ข้อที่หนึ่งก็คือความมักน้อยความมักน้อยก็หมายถึงว่า ให้เรามีเท่าที่จำเป็นในปัจจัยสี่สิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่ขอให้เรามีความพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายคือความมากน้อยไม่เอามากเกินกว่าความจำเป็นที่จะต้องมีเช่นอาหารต้องกินมากน้อยเพียงไรพระพุทธจ้าก็สอนว่าถ้าผู้ปฏิบัติจริงๆ ถ้าปฏิบัติได้ถ้ามีกำลังก็มื้อเดียวก็พอกินวันละมื้อก็พอแต่ถ้ายังถ้าเริ่มต้นใหม่ๆยังมีกำลังไม่พอก็เอาสองมือก็ได้แต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วนี่คือมักน้อยอย่าไปกินมากไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อการปฏิบัติกับกลายเป็นนิวรน เป็นอุปสรรคขวางการปฏิบัติได้การรับประทานอาหารมากๆนี้จะทำให้มีความเกลียดคร้านในการปฏิบัติและเวลาปฏิบัติก็จะรู้สึกง่วงเหงาเหานอนได้ง่ายนั่งก็จะสับประงกไม่ได้สมาธิได้แต่นั่งหลับกันการที่เราไม่รับประทานอาหารมากเกินต่อความต้องการของร่างกาย เอาเท่าที่ร่างกายพออยู่ได้ก็พอมื้อเดียวก็อยู่ได้แล้วก็จะได้ไม่มีอุปสรรคเวลาที่เราจะต้องฝึกสมาธิกันหรือเดินจงกรมจรัญสติจะไม่เกียดค้านจะมีความขยันตัวเบาไม่ง่วงนอนแต่ถ้ารับประทานอาหารมาก จะรู้สึกเกียดข้ามจะอยากจะหาหมอนอยากจะนอนกันถ้านอนมันก็ไปไม่ได้ใบนิพผ่านไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ไม่ได้หลุดพ้นด้วยการนอนธรรมะพระเจ้าตัดว่าหลุดพ้นด้วยการทาความเพียรนั้นความเพียรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีอุปสรรคคือมีนิวรณ์ต่างๆ ที่เราสร้างกันขึ้นมาเองโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าการรับประทานอาหารให้กับร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องรับประทานให้มากๆอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการให้อาหารต่อร่างกายก็เป็นเรื่องของความจำเป็นแต่ควรจะให้พอดีกับความต้องการให้มากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกาย กับเกิดโทษทั้งกับร่างกายและจิตใจด้วยจิตใจก็อย่างที่พูดไว้ว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติมันจะง่วงนอนจะเกียจคร้านทางร่างกายถ้ารับประทานอาหารมากเกินความต้องการก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอุด ต, ตันโกกรคตับโรคตายอะไรต่างๆนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ยิ่งถ้าเกิดแล้ว ทาให้ร่างกายมีเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันก็จะกลายเป็นอุปสรรคอีกเช่นกันการปฏิบัตินี้ต้องได้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ร่างกายมันจะไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะมาปฏิบัติธรรมและใจก็ไม่อยากจะปฏิบัติธรรม พราะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่จะทําให้อยากจะพักผ่อนหลับนอนอการความมักน้อยในปัจจัยสี่นี่จริงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องมักน้อยในปัจจัยสี่อาหารก็เอาพอเพียงเครื่องนุ่งห่มก็เอาพออยู่ได้ก็พอ ถ้าเป็นพ้านี้พูะเจ้าบอกว่ามีผ้าไตาหนึ่งสำรับก็พอแล้วมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มคุมหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนก็หนึ่งสำหรับหนึ่งไตหนึ่งชุดเท่านี้ก็พอเพียงต่อการใช้สำหรับการดูแลร่างกายไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย และปลกปิดเอาไว้ว่าที่ควรจะปกปิดไว้ให้มิชิตให้ดูเรียบร้อยสง่างามอันนี้สำหรับพระพระพุทจาก็สอนว่าเอาแค่หนึ่งไตรก็พอผ้าสบงหนึ่งผืนผ้าจีวรหนึ่งผืนผ้าสังคติหนึ่งผืนรวมกันเป็นสามขืนคือหนึ่งไตรไตรก็แปลว่าสาม เวลาที่ญาติโยมถวายผ้าตายเนี่ยก็จะมีผ้าสามผืนเนี่ยแต่ผ้า ท, ที่ท่านถือความมากน้อยที่ท่านใชเอาเอาตายเดียวถ้ามีมากกว่านั้นท่านก็จะแจกทานต่อไปถวายให้กับผ้าที่ไม่มีหรือเก่าที่ผ้าขาดแล้วก็ให้ท่านได้มีผ้าใหม่ไว้ใช้ หรือสงเคราะห์ผู้ที่จะมาบวชผู้ที่ยากจนที่อยากจะบวชแต่ไม่มีเงินซื้ออัฐบริขารก็เอาของที่ได้รับจากญาติโยมมานี้ไปให้กับผู้ที่ต้องการผ้าผ้าไตรแต่สำหรับตนเองนี้มีเพียงหนึ่งชุดก็พอจะเปลี่ยนต่อเมื่อมันขาด ครูบาอาจารย์บางรูปตามประวัตินี้ผ้าจีวรของท่านเนี่ยเวลามันขาดท่านก็ยังปะเนียท่านก็หาผ้าผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาปะ่ยบางทีผ้าจีวรทั้งเผื่อนี่มีแต่รอยปะเต็มไปหมดส่วนตัวผ้าเดิมนี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเนยมีแต่รอยปะเต็มไปหมดนีแต่ท่านไม่ได้ถือสากับภาพลักษณ์ของผ้าจีวรว่าจะต้องเป็นผ้าสวยผ้างามอะไร ท่านคำหนึ่งถึงประโยชน์ในการใช้สอยท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาปฏิสังขายโนิโสทุกครั้งที่บริโภคปัจใจสี่ว่าเราบริโภคจีวรน้เพื่ออะไรเพื่อปกปิดร่างกายเพื่อปกป้องร่างกายไม่ให้ถูกมแมลงสา์กัดต่อยเพื่อป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็นเพื่อจะได้ รักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติไม่ได้ห่มผ้าจีวรเพื่อความสวยความงามเพื่อความาความาหรูหราหรืออะไรทำนองนั้นอันนี้ท่านจึงท่านจึงไม่สนใจว่าจีวร น, นี้จะต้องเป็นผืนใหม่ผืนเดียวหรือไม่เป็นผ้าชิ้นเดียวหรือไม่จะมีรอยปะตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่เชื่เป็นเรื่องสำคัญอะไร ตอให้มันทำหน้าที่ของ้าได้ก็พอเวลาที่พระบริโภคปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาปฏิสังขายู่นิสูคือให้คิดถึงเหตุผลของการใช้ปัจจัยสี่อาหารก็เพื่อไว้ดับความหิวป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ เพื่อให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการอดยากขาดแคลนหรือจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปไม่ให้รับประทานเพื่อความสนุกสนานเฮฮาเหมือนกับสังคมทางโลกชอบจัดงานปาร์ตี้กันมานั่งกินข้าวหมูกระทกกระแทะอะไรกันมีทั้งสูรลงยาสุรายามามีทั้งเสียงเพลงให้ฟังกัน นั่นคือกินแบบทางโลกกินเพื่อความสุขทางกามารมณ์คือทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ทางกินของนักปฏิบัติธรรมนี้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ไม่ได้อยู่เพื่อกินเพื่อที่จะได้เสพกามจากการกินก า, การดื่มการดูการฟังอะไรต่างๆต่างกัน ถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่รู้จักแนวทางแบบนี้จะไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้ายังติดอยู่กับเรื่องของความหรูหราของอะไรอยู่มันก่อนก็มีข่าวมีสำนักปฏิบัติธรรมวัดแห่งหนึ่งบอกว่าจัดร้านร้านกาแฟแบบหรูหราเลยเป็นเหมือนกับเป็นร้านกาแฟให้คนไปเที่ยวไปกินไปเดิมกัน มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างน้าหูว่าเหมาะสมหรือไม่สำหรับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่หรูหราที่สวยงาม <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่กรณีอันนี้ไม่ไม่วิาพากษ์วิจารณ์ท่านอาจจะมีเหตุมีผลอะไรของท่านก็สุดแท้แต่แต่ผู้ปฏิบัติต้องรู้ความจริงของตนว่าตนปฏิบัติเพื่ออะไร เพื่อหลุดพ้นจากกรารทั้งหลายทั้งปวงหรือปฏิบัติเพื่อให้ติดอยู่กับกรารทั้งหลายติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาหรือปฏิบัติเพื่อให้หลุดออกจากการไปติดอยู่กับการเสีรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆถ้ายังติดอยู่ในเรื่องของกามนี้ก็จะหลุดพ้นไม่ได้กามนี้ก็เป็นเหมือนบ่วงเป็นบ่วงรัดคอ รัดคอสัตว์เลี้ยงเวลาที่เราไม่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงนี่ไปไหนมาไหนหรือหนีจากบ้านไปเราก็มักจะต้องมีอะไรผูกคอสัตว์เลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงนั้นหนีออกไปจากบ้านฉันใดใจถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากบ้านแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องตัดบ่วงที่คล้องคอนี้ออกไป ไหละกามฉันทะซึ่งจะเป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมจะทำให้ไม่สามารถก้าวหน้าไปในในทางของการปฏิบัติได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะให้ความสำคัญคือความมากน้อยในเรื่องปัจจัยสี่ อาหารก็เอาน้อยๆเสื้อผ้าเครื่องหนูห่มก็เอาน้อยๆสามชุดก็พอมั้งชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งไวส้สำรองหรือถ้าจะน้อยกว่านั้นก็เอาแค่สองชุดชุดหนึ่งไว้ใส่อีกชุดหนึ่งไว้ซักก็พอถ้ามีแค่สองชุดนี้ก็อยู่ได้แล้วสลับกันไปนมันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมาคอยคอยสรรหาเสื้อผ้าอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่มีการกำหนดควบคุมปริมาณนี้เสื้อผ้ามันจะล้นตู้แล้วจะมีหลายตู้มีกี่ตู้ก็ไม่พอเพราะความอยากมันจะไม่มีคำว่าพอเห็นชุดนั้นก็สวยเห็นชุดนี้ก็สวยก็อยากจะซื้อมาใส่กันซื้อมาแล้วใส่หนงเดียวก็เก็บไว้ในตู้แล้วเราไปเห็นชุดใหม่ที่สวยกว่าอีกแล้วอันนี้ก็ ก็จะเป็นการไปติดอยู่กับการหาซื้อเสื้อผ้าต้องหาเงินหาทองต้องมีเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าต่างๆมาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษากหาที่เก็บกลายเป็นภาระพลงพลังไปหมดเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติมันก็จะน้อยลงไปหรือไม่มีเลยถ้าไม่รู้จัก ความมากน้อยนะในเรื่องของปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยก็พออยู่ได้ก็พอพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอสําหรับพระนี้ท่านมีกดมีมุมอันเดียวมีมุงอันนึงท่านก็อยู่ได้แล้วบ้านของท่านท่านไปอยู่ในป่าที่ไหนก็กลางกฎกลางมุง้งนั่งสมาธินอนในในกฎในมุงได้ไม่เดือดร้อนเหดี่ยวก็เรื่องการ อยู่อาศัยพอมีที่หลบแดดหลบฝนป้องกันภัยไม่ให้ร่างกายเกิดถูกภัยมากระทบทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเนื้อถึงแก่ความตายยารักษาโรคของทางพระสมัยโบราณท่านก็ใช้ยาดองน้ำมูดคือน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะนิดดองพวกสมอพวกผ ล, ลไม้ที่เอามาทำเป็นยาได้ ดองแล้วเวลาเจ็บไข้ก็ให้ดื่มน้ำน้ำน้ำยาดองดองผลไมน้นี่ก็หายได้ถ้าจะหายมันก็หายถ้ามันไม่หายก็มันก็ไม่หายก็ต้องใช้ธรรมโอสถบํำบัดทางใจคือไม่ให้ทายใจไปทุกข์ไปวุ่นวายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายเพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ช้าก็เลยวมันก็ต้องเจ็บบางโรค ก, ก็เป็นแล้วก็หายเองได้บางโรคเป็นแล้วก็ต้องรักษาถ้ารักษาแล้วไม่หายก็เป็นโรค ก, ก็ต้องเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะตายไปตายจากมันไปท่านก็ไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการรักษาพยาบาลเท่าไหร่ พราะรักษาดีขนาดไหนมันก็ได้ที่สุดมันก็ไม่พ้นความความตายไปอยู่ดีถ้ามันจะหายรักษาแบบง่ายๆมันก็หายได้ไม่ต้องไปยุ่งยากต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายสําหรับคนที่ไม่มีฐานะรัฐบาลก็ช่วยจ่ายค่ารักษาให้เพียงให้จ่ายแค่30บาทสามสบาทก็รักษาทุกโรคได้ ไม่ต้องไปกังวลกับการหาเงินหาทองเพื่อจะไปซื้อประกันสุขภาพประกันอะไรต่างๆมาหรือไม่มีประกันก็ต้องมีเงินสำมปองแล้วต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนที่ต้องเสียเงินทารักษาแพงๆมันก็จะเป็นภาระกดดันทางจิตใจให้คอยกังวลให้คอยต้องหาเงินหาทองมาสำมลองไว้ อันนี้ถ้าถือหลักตามที่พระเจ้าส่งสอนก็รักษาไปตามมีตามเกิดถ้ามันจะหายก็หายถ้ามันจะไม่หายก็มันก็อยู่กับมันไปจำกัดมันจะตายจากกันไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแล้วใจก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายใจจะได้มีเวลาที่จะได้มาปฏิบัติกันอย่างเต็มที่อันนี้คือเรื่องของความนักน้อย จะทำให้เรานี้ไม่มีภาระกดดันจากความโลภจากความอยากต่างๆแล้วข้อที่สองท่านก็สอนว่าให้ใช้สันโดษถ้าเรามักน้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเช่นกินเมื่อวันละมือ้อแต่เกิดมีภาวะที่ขาดแคลนไม่ได้กินวันละมือ้ออาจจะต้องกินวันเว้นวันอย่างนี้ ก็อย่าไปวุ่นวายใจกับมันก็ยินดีไปตามมีตามสภาพเช่นช่วงนี้ฝนตกน้าท่วม อ, อยู่บ้านไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ย้ายไปอยู่ไปตามตามสภาพตามมีตามเกิด อ, อย่าไปกังวลอย่าไปวุ่นวายใจ <c oughs> ขอให้มันมีที่อยู่ก็แล้วกันมีที่อยู่หลบแดดหลบฝนได้จะ <c oughs> อ, อยู่ในสภาวะใดก็อยู่ไปก่อน แล้วเมื่อเหตุการณ์ที่ใครพอที่เราจะขยับขยายพอที่จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางได้ก็ทำไปตามโอกาสแต่ไม่จะไม่กังวลจะไม่เดือดร้อนใจเวลาที่จะต้องอมีการโยกย้ายไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆพอเหตุการณ์บังคับต้องมีสันโดษเคอยินดีตามมีตามเกิด ยินดีตามที่มียินดีตามที่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้กินมากกินน้อยก็ได้ช่วงนี้น้ำท่วมคนบางคนอาจจะไม่ได้กินอาหารตามที่เคยได้กินอาจจะต้องมีแต่มาม่าปลากระป๋องก็กินมันไปก่อนพะทังชีพไว้ดีกว่าอดตายเนี่ยข้นนี้คือข้อข้อที่สองคือสันโดษให้ยินดีตามมีตามสภาพ <c oughs> แล้วใจก็จะได้ไม่วุ่นวายใจจะไม่ลองมาพาวัภพวนกับเรื่องปัจจัยสีปัจจัยสีไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้เราหลุดพ้นเป็นตัวสนับสนุนในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นเป็นปัจจัยสีที่คอยสนับสนุนให้ร่างกายนั้นอยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรไม่ถึงแก่ความตาย เพื่อจะได้เอาร่างกายนี้มาใช้กับการปฏิบัติข้อสองก็คือสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดข้อที่สามนี้ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องของการไม่สังคมไม่คลุกคลีกันเพราะการคลุกคลีกันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ถ้าคลุกคลีกันสังคมกันจัดงานเลี้ยงจัดงานปาร์ตี้ จัดงานวันเกิดจัดงานขึ้นบ้านใหม่จัดงานบุญงานกุศลอะไร ส, สุดแท้แต่แม้แต่งานกระถิ่นงานผ้าป่านี้ก็ถือว่าเป็นงานสังคมเหมือนกันในสายตาของผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจะพยายามหลีกเลี่ยงงานเหล่านี้ไม่ให้คุกคีกันเพราะทาธเจ้าบอกว่าการครุกคีกันนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติถึงแม้จะเป็นบุญเป็นกุศล เป็นการทําบุญทอดกระถินผ้าป่างานบุญต่างๆนี้แต่มันเป็นบุญขั้นต่ํามันเป็นบุญขั้นขั้นอนุบาลประโยชน์ที่ได้จากมันนี้ไม่เท่ากับบุญที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมถ้าสนใจที่อยากจะปฏิบัติธรรมนี้ก็ควรที่จะลดหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนหรือถ้าจะทําก็ทําในลักษณะที่ไม่ต้องไปคุก ค, คีกัน เช่นฝากเงินไปทําบุญก็ได้ใส่ซองไปเท่านี้ก็จบก็ได้บุญเหมือนกันไม่ต้องไปร่วมงานกับเขาไปวัดกับเขาไปที่สถานที่ที่มีการประกอบบุญกุศลต่างๆเอาเงินใส่ซองไปหรือสมัยนี้โอนเงินเข้าบัญชีกันเท่านี้ก็เรียบร้อยถือว่าได้ทําบุญเหมือนกันอย่าสังคมกันอย่าคุกคีกัน ถ้าอยากจะต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเวลาสังคมคุกคีกันนี้จะเอาจะปฏิบัติธรรมไม่ได้จะเจริญสติจะนั่งสมาธิไม่ได้ทําไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวต้องไม่คุกคีกับใครนี่คือข้อที่สามคืออย่าคุกคีกันอย่าสังคมกันถ้ายัางต้องทําก็พยายามทําให้น้อยที่สุดทําเท่าที่จําเป็น งานไหนไม่จําเป็นตัดได้ก็ตัดไปเอาแต่งานจําเป็นจริงๆเท่านั้นที่ต้องทํางานเกี่ยวกับผู้มีพระคุณอย่างนี้อาจจะต้องทํางานของพ่อของแม่งานของผู้มีพระคุณงานของเพื่อนของฝูงนี่ก็ตัดไปหรือคนที่ห่างไกลที่ไม่รู้จักกันสนิทสนมกันอะไรกันก็ตัดได้ตัดไปเถิดมันไม่มันไม่มีคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติครับ เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์มันมีแต่จะช่วยก่อกองทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเราไปงานเขาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องคิดจัดงานของเราอีกแล้วจชวนเข้ามาอีกวุ่นวายกันไปหมดง <c oughs> ั้นพยายามลดการสังคมลงลดการคุกคีกันสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าคุกคีไม่คุกคีกัน สมาธินี้ก็หมายถึงการงานสังคมต่างๆงานเกาะกลุ่มกันทํากิจกรรมร่วมกันต่างๆถึงแม้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ตามเถิดแต่ถ้ามองจากมุมมองของการปฏิบัตินี้มันเป็นประโยชน์น้อยเราอย่าเอาเวลานี้ไปใช้กับประโยชน์น้อยเอาเวลาไปใช้กับประโยชน์มากดีกว่าเอาไปภาวนาดีกว่าเอาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าด้วยการไม่คลุกคลีกันอยู่ตามลำพัง อยู่บ้านเราก็ปฏิบัติได้แต่ถ้าเราอยากจะให้มันได้ผลมากกว่านี้ก็คือเราก็ต้องไปหาที่สงบสงบวิเวกนี่ที่มาข้อที่สี่ก็คือการไปปรีดวิเวกอยู่บ้านอาจจะอยู่คนเดียวบางครั้งบางเวลาแต่ก็คงไม่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็จะมีคนนั้นคนนี้มาเยี่ยมมามา มาถามไทยสารทุกข์สุขดิบหรือมาทำธุ ร, ประปะปังอะไรต่างๆก็จะทำให้การปฏิบัติอยู่ในบ้านนี้มันไม่ค่อยลาบรื่นไม่ค่อยคล่องตัวเหมนกับไปหาสถานที่ที่เราอยู่คนเดียวได้ตามลาพังไม่มีใครมาติดต่อไม่มีใครมารบกวนใจอั่นยังบอกให้ไปปีกวิเวกข้อที่สี่พยายามปีกวิเวกเรื่อยๆมีเวลาว่างเมื่อไหร่ เช่นช่วงที่หยุดสี่วันนี้ถ้าคนที่ชอบปิกวิเวกนี้เขาจะวางแผนนะเขาจะวางว่าไปหาที่ปฏิบัติที่ไหนดีที่สงบที่สงดที่สามารถปฏิบัติได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของใครทั้งสิ้นอันนี้ผู้ที่สนใจเรื่องของการปริวิเวกปิกวิเวกนี้เขาจะมองดูวันหยุดละถ้าเขายังทางานอยู่ เราจะดูว่าช่วงไหนมีวันหยุดยาวนี่เขาจะเริ่มคิดแล้วว่าไปจองที่พักไว้ที่ไหนดีพอถึงเวลาก็จะได้ไปปฏิบัติได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนใจต่างๆลูกเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆนี่มันถ้าอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวเขาจะดูดเราบางทีเขาไม่ดูดเราแต่กิเลสมันจะดันเราไปหาเขาเอง อยู่คนเดียวแล้วนิ่งมันเบื่อมันมันเศร้ามันซึมก็ะไรต้องไปหาคนมาคุยด้วยเป็นเพื่อนคุยกันหรือไปหาเครื่องดื่มหาอะไรมารับประทานกันมันก็จะกลายเป็นนิวรนไปเป็นกานมัชันท้าไปนั้นต้องไปปลีกวิเวกพยายามอดทนนะแต่แม้จะไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะว่า ไปแล้วเดี๋ยวมันดีเองใหม่ๆมาจะรู้สึกเหงาแต่ถ้าเรามีความเพียรสูงมีความพยายามเจริญสติเดี๋ยวพอจิตรเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะหายเหงามันจะเริ่มมีความสุขกับการอยู่ตามลำพังก็มาข้อที่สี่เมื่อไปเปลีกยวิเวกแล้วก็ไม่ใช่ไปไปกินไปนอนเฉยๆไปเปลีกยวิเวกเพื่อไปทำความเพียรการให้ไปเพียรปฏิบัติ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นพื้นฐานก็ศีลต้องถือศีลแปดขึ้นไปสำหรับผู้ที่จะต้องการไป <c oughs> ไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นนี้ต้องมีความเพียรในการเพียรศีลข้อที่ห้าก็คือให้มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติศีลข้อที่หกต้องพยายามมีศีล สินขั้นเนกข ม, มะคือสินที่ออกจากกรารมาสุขศินห้านี้ไม่พอต่อการสนับสนุนในการปฏิบัติในเรื่องของการภาวนาของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นต้องใช้สินแปดขึ้นไปศินแปดสิน 8, สิบหรือสินสอยี่สิบเารสถานภาพถ้าไปบวชเป็นพระก็ต้องถือสินี่สิบบวชเป็นสามเณรก็ถือสินสิบ ถ้าเป็นแม่ชีอบาสิกานี้ก็ศีลแปดหรือผู้ชายที่ยังไม่บวชก็ถือศีลแปดเพือออ่อจะได้ละเว้นจากกิจกรรมทางกา ร, รต่างๆนั่นเองไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือกับผู้ผู้ใดเลยไม่มีการร่วมหลับนอนกัน รับประทานอาหารแค่เที่ยงวันหรือครั้งเดียวแล้วแต่กำลังของผู้ปฏิบัติสามารถละได้เท่าไหร่ก็ละไปไม่แสวงหาความสุขจากบันเทิงการท่องเที่ยวไม่แสวงหาความสุขจากการเสริมสวยความงานทางร่างกายแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนเรียงสำลังที่นอนที่สำลัอ พุ่งหนาๆเตียงใหญ่ๆเพราะจะนอนมากเกินไปจะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปถ้าจะไปทำความเพียรนี้ก็ต้องเพียรรักษาศีลแปไปขึ้นไปก่อนไม่ใช่ไปอยู่เฉยๆไม่ใช่ไปอยู่ไปอยู่ไปแบบไปเที่ยวรีสอร์ทไปถึงก็ไปกินไปนอนไปคนเดียวแต่ไปกินไปนอนกินเสร็จก็นอนนอนขึ้นมาตื่นก็กินนีอันนี้ไม่ได้เรียกว่าไปเปรี้เว อันนี้เป็นไปหาความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายเนีย่ยเพียนต้องมีความเพียงตลอดยี่บสี่ยกเว้นเวลาหลับถ้าไปเปลี่ยวเวกแล้วอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีการปฏิบัติปฏิบัติศีลแล้วก็ขั้นต่อไปพอ ร, รักษาศีลได้ก็ปฏิบัติสมาธิ การจะปฏิบัติสมาธิได้ผลก็ต้องมีการเจริญสติสติเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิยังไงก็สงบไม่ได้เพราะใจจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้จะไปอยู่คนเดียวแล้วแต่ใจมันไม่ยอมอยู่คนเดียวใจมันยังจะหวนกลับไปอดีต คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรต่างๆเพราะมันเคยชินอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้พอมันมาอยู่คนเดียวมันก็ยังหยุดคิดไม่ได้จึงจําเป็นต้องมีการเจริญสติฝึกสติอยู่ตลอดเวลาเอาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าไปปีกวิเวกแล้วไม่มีภารกิจการงานอะไรที่ต้องมาคิดแล้วทีนี้ก็คอย คอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอย่าให้มันคิดถึงเรื่องอะไรให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายร่างกายทำอะไรก็อยู่กับร่างกายเฝ้าดูร่างกายไปร่างกายเดินใจก็เดินไปกับร่างกายร่างกายนั่งยืนก็นอนก็อยู่กับร่างกายไปอาบน้ำก็อาบน้ำกับร่างกายล้างหน้าแปรงฟันฝีเผ่าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัว ใส่เสื้อผ้าอะไรก็อยู่กับการกระทาของร่างกายรับประทานอาหารทำความสะอาดสถานที่ก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่แค่ปัจจุบันก็มีแค่เพียงร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกาย ถ้ามันยังไม่ยอมอยู่มันยังเด้อยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้พุโทโธช่วยด้วยก็ได้ทางพุโทโธพุธโทโธไปบริกรรมไปภายในใจทำงานไปก็บริกรรมไปอาบน้าไปก็บริกรรมพุโทโธไปด้วยเพื่อที่จะได้ควบคุมไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป้าหมายของการจัดริญสติเพื่อหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิใจจะเข้าสมาธิไม่ได้ ใจจะรวมไม่ได้ใจจะนิ่งไม่ได้ต้องมีสติเป็นผู้กํากับใจควบคุมความคิดหยุดความคิดสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิคือความสงบตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุบเบกขามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่เรียกว่าสมาธิ สติเป็นเพียงการระลึกรู้รู้ว่ากําลังทําอะไรรู้ว่ากําลังพุดโธหรือไม่รู้ว่ากํากลังคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็ต้องหยุดมันไม่ให้มันคิดนี่ไม่ว่าสติขอให้เราเข้าใจทางโลกนี้บางทีเราใช้คําว่าสติกับสมาธิสลับกันทางโลกมักจะใช้คําสมาธิแทนสติเช่นวันนี้ไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานเลยไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยอันนี้ไม่ใช่สมาธิ อันนี้เรียกว่าสติเพราะทางโลกนี้ไม่มีวันที่จะสัมผัสกับสมาธิได้สมาธินี้เป็นสภาวะของจิตที่นิ่งสงบเข้าสู่ข้างในปล่อยวางรูปเสียงกินลดโผฏฐพัทธะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่สักแต่ว่ารู้ปัจจัจฉาความคิดปุงแต่งต้องทำความเข้าใจเพราะญาติโยมบางทีสับสนเรื่องสมาธิการเรื่องสติ คิดว่าเป็นตัวเดียวกันอันนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันคอละตัวสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้ามีสติแล้วนั่งนิ่ ง, งๆเฉยๆไม่นั่งกายไม่เคลื่อนไหวแล้วก็มีสติอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเขา้าถ้าไม่มีการพังเพล่ไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบ น, นี่คือความเพียรที่จะต้องดําเนินการ เพียงทั้งสติทั้งสมาธิทั้งศีลทั้งปัญญาสมาธิก็มีอยู่สามลักษณะด้วยกันสำหรับผู้ที่เริ่มต้นถ้าได้ผลจากความสงบจะสงบชว่เดียวเดียวเรียกว่างูแลบลิ้นหรือฟ้าแลบจิตจะรวมลงนิ่งสงบปั๊บเดียวแต่จะเกิดความรู้สึกมหศัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับภาวะของจิตที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิต จิตที่ว่างที่เบาที่เยน็นที่สบายที่มีความสุขมากแต่เพียงเชื่อขณะงูแลบลิ้งพอสงบแล้วก็ถอยออกมากลับมาสู่ร่างกายกลับมาสู่ลมกลับมาสู่พุทธโธใหม่อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอันนี้เป็นสมาธิขั้นเริ่มต้นผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับสมาธิมาก่อนนี้นักจะได้แค่คณิกะสมาธิ เพราะกำลังของสติที่จะดึงใจให้เข้าข้างในนี้มีไม่มากพอมากพอเพียงแต่ให้มันหยุดได้ช่วงขณะหนึ่งท่านึงเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่เป็นสมาธิที่มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจต่อผู้ปฏิบัติเราเป็นเหมือนกับการให้กาลังใจหรือเป็นเหมือนกับการให้ดูหนังตัวอย่างว่าเนี่ยต่อไปผลมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับเวลาที่เขามีสินค้าใหม่ๆผลิตออกมาแล้ว เขาอยากใช้ให้คนทดลองใช้ก่อนเขาก็มีเขามีแซมเปิลมีสินค้าตัวอย่างอาจจะใส่ขวดเล็กๆ เ, เอามาแจกน้ำหอมก็ขวดเล็กๆอะไรยาสีฟันหลอดเล็กๆอะไรทานอง น, งนี้แจกฟรีให้คนที่ไม่เคยใช้เอาไปใช้ก่อนพอเขาใช้แล้วรู้สึกว่าดีเขาก็จะติดใจติดใจแล้วทีนี้เขาก็จะกลับมาสั่งซื้อหลอดใหญ่ๆเลยก้อนใหญ่ๆสบู่ก็ก้อนใหญ่ๆไปเลย อันนี้ก็แบบเดียวกันกรณีกับสมาธินี่ก็เป็นเหมือนสแมเปิลเป็นเป็นสมาธิตัวอย่างที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้เกิดความชื่นชมยินดีมีฉันทะมีความยินดีในธรรมเพราะลดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเพราะได้สัมผัสกับรดแห่งธรรมแม้เป็นเพียงแต่ชั่วขณะหนึ่งนี้จะติดอกติดใจไปจนวันตายทีนี้จะเริ่มเปลี่ยนวิวธีการหาความสุขแนละ การที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ทีนี้จะพุ่งเป้าไปที่การหาความสุขจากการทําความสงบมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ไปเปรียกเวกไปปฏิบัติไปเจริญสติสมาธิกันเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบพอดีแบบปฏิบัติมากๆขึ้นมันก็จะชํานานเข้าได้บ่อยแล้วต่อไปมันจะนิ่งได้นานจิตที่สงบนิ่งได้นานนี้เราเรียกว่าอัปปนาสมาธิ เป็นแบบเดียวกับคณิกะต่างกันตรงที่ช่วงเวลาเท่านั้นเองคณิกะนี้ช่วงงูแลบลิ้นช่วแค่ฟ้าแลบแต่ถ้าเป็นอัปปนาสมาธินี้จะยาวละห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสาสิบนาทีมีความสุขสวยเหมือนกับวิมุตติสุขสมาธินี้ก็ถือว่าเป็นนิพพานชั่วคราวเพราะว่ามันยังไม่ถาวอนยังไม่สามารถอยู่ในความสงบปราศจากความทุกข์นี้ได้ตลอดเวลา นั่งอยู่ได้สักพักพอสติหมดกําลังกิลเลสที่ไม่ได้ตายด้วยอํานาจของกิของสติมันก็จะผลักให้จิตออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่ให้มาอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใหม่ตอนนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องเจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นตายรักอันนั้นนิจังไม่เที่ยง มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเวลาเกิดเวลาเจริญก็ให้ความสุขเวลามันเสื่อมเวลามันดับก็กลายเป็นความทุกข์เป็นทุกข์ขังไปเพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้มันธรรมชาติที่เกิดที่ดับเป็นธรรมชาติที่เจริญแล้วเสื่อมไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้มันเจริญไปเพียงอย่างเดียวได้ถ้าไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะต้องเจอความทุกข์เวลาที่มันเสื่อม เวลาเราไปเตะกับแฟนมีแฟนเวลาได้อยู่กับแฟนก็มีความสุข mm hmm. เดี๋ยวพอแฟนจากเราไปด้วยเหตุ mm hmm. เหตุดเหตุหนึ่งพอเราต้องกลับมาอยู่คนเดียวทีนี้ทุกยิ่งกว่าตอนที่ตอนที่ไม่มีแฟนเสียอีกตอนที่ไม่มีแฟนอยู่คนเดียวก็อยู่ได้พอมีแฟนแล้วพอแฟนจากไปแล้วทีนี้โอ้โหทุกแบบไม่เคยทุกมาก่อนบางทีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายกันก็มีอันนี้นะมิตรของของ ของกางมาสุขฤทธิ์ของกลางมาคุณห้าของรูปเสียงกลิ่นรดถ้าเราไปติดไปแล้วเนี่ยเวลาขาดมันขึ้นมาเมื่อไหร่มันมันจะแผงฤทธิ์ให้เราเห็นเนหะมือนกับยาเสพติดเนี่ยยาเสพติดถ้าเราไม่ไปติดมนันนี้มันเราไม่เดือดร้อนเวลาเราไม่มีเสพไม่เดือดร้อนแต่พอเราไปเสพมันแล้วติดมันแล้วพอไม่ได้เสพนะทีนี้มันจะสร้างความทุกข์อย่างมหาศาลให้กับใจผู้ปฏิบัติก็ต้องพิจารณาเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นลด ของกรรมต่างๆการมกุณหว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเห็นชัดแล้วก็ประกอบกับจิตที่มีมีสมาธิมีอุเบกขาที่ได้จากสมาธิก็สามารถที่จะต้านความอยากได้เพราะว่ามีแหล่งให้ความสุขแทนแล้วคือสมาธิพอเราไม่มีความสุขจากการมาสุขเราก็เข้าหาสมาธิเป็นเป็นครึ่ง เครื่องให้ความสุขกับเราแทนก็ได้หรือให้เราอยู่เฉยๆกับอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วใจอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะใจที่มีอุเบกขานี่ไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่เฉยๆได้ไม่ดด้นอน ไม่มีความอยากต่างๆถ้ามีความอยากก็ต้องใช้ปัญญาระงับมันด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญสมาธิและปัญญาควบคู่กันไปสลับกันไปเบื้องต้นก็ทําแต่สมาธิให้ชํานาญก่อนพอได้สมาธิชํานาญมีอุเบกขาเป็นพื้นฐานของใจแล้วทีนี้ก็ไปทางปัญญาเวลาเกิดความอยากต่างๆก็พิจารณาตายรักให้ปล่อยวางให้หยุดความอยาก พอหยู่ความอยากได้ใจก็หลุดพน้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไปติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสกับการมคุณต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าวิมุตติใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วต่อไปนี้ไม่ไม่ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไม่เหงาไม่ว้าเวไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสทุกชนิดไม่ติดกาแฟไม่ติดเครื่องดื่มไม่ติดความ สวยความงามไม่ติดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าใจมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างที่ไปติดนี่มันเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอันนี้ก็เรียกว่าวิมุตติได้ดุดพ้นจากความทุกข์พอได้ดุดพ้นแล้วมันก็จะเกิดวิมุตติญาณทัศน์ขึ้นมา่างก็คือการอย่างรู้ว่าต่อไปนี้ใจของเรานี้มันไม่มีความทุกข์เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้ทุกข์กับกาแฟทุกข์กับ คนนั้นทุกกับคนนี้ทุกกับขนมทุกกับอะไรเดีย๋ยวนี้มันเฉยเฉยมันไม่รู้สึกเดือดร้อนมีก็ไม่มีก็เหมือนกับไม่มีไม่มีก็เหมือนกับมีมันเฉยเฉยมันไม่ได้วุ่นวายไปกับมาเลยนะอันนี้เรียกว่าวิบุติยา ณ, ณะทัศนะปฏิบัติไปมันจะเป็นขั้นขั้นไปนมันจะพาไปสู่ขั้นสุดท้ายก็คือวิบุติยา ณ, ณะทัศนะคือการได้อย่างรู้แล้วว่า คามทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หมดไปแล้วคามทุกข์เกี่ยวกับเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องของนั่งกายเรื่องของเวทนาเรื่องของใจเรื่องของอารมณ์ต่างๆอันนี้มันกะเป็นเป็นตายลักไปทั้งหมดพิจารณาด้วยทางปัญญาก้าวขึ้นไปจากจากรูปเสียงกลิ่นลดไปสู่เวทนาจากเวทนาก็ไปสู่สู่อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจแล้วในที่สุดก็จะ กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากหลงเหนืออยู่ในใจแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปหมดเนี่ยอย่างนี้ก็คือการหลุดพ้นพอไม่มีความอยากกับอะไรแล้วก็ไม่มีการจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่อยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณ์ก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นายเมื่อไม่อยากกับอารมณ์ต่างๆก็ไม่มีการกลับมาเกิดในในรูป รูปภพอรูปภพใจก็จะไม่มีการที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปยังหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงอย่างถาวรพอรู้อยู่ในใจแล้วว่าทุกข์ไม่มีแล้วสำหรับผู้ที่ไม่เกิดตาบใดท่าที่ยังมีการเกิดอยู่ตาบนั้นก็ยังต้องมีการการมีความทุกข์อยู่ เพราะมีการเกิดก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดผ่าจากกันมีการประเิญกับเหตุการณ์หรือบุคคลต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ก็จะต้องเกิดถ้ามีการเกิดแต่ถ้าไม่มีการเกิดแล้วก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพัดผ่าจากกันไม่มีการประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบกัน อันนี้แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราให้ความสนใจกับหัวข้อธรรมสิบประการคือ 1. ความมากน้อย 2. สันโดษก้อ 3. ก็คือการไม่สังคมไม่คุกทีกันก้อ 4. คือการไปเปรกวิเวกอยู่ตามลำพังก้อ 5. การทำความเพียงเพียงในศีลศีลก้อ 6. เพียงในสมาธิก้อ 7. ็เพียงในปัญญาข้อ 8. เมื่อเพียรปัญญาได้เต็มที่ก็จะได้วิมุตติได้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะเกิดญานทัศนะเป็นมาวิมุตติญานทัศนะเป็นบางนิยานที่อย่างทราบแล้วว่าตอนได้หลุดพ้นแล้วไม่ต้องไปถามใครธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้กับตนเองไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วใครจะมายืนยันว่าเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วไม่ต้องมีใครยืนยัน รู้เองรู้อยู่กับใจเหมือนคนที่เป็นที่ไม่สบายแล้วหายไม่ต้องไปถามหมอแร้วว่าหมอหนูหายหรือยังไม่ได้ว่าหมอหนูกลับบ้านได้หรือยังะพอรู้ว่ามันหายแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่ปวดแล้วที่มาโรงพยาบาลเพราะมันเจ็บมันปวดแต่พอหมอรักษาให้หายแล้วไม่ต้องไปถามหมอว่าหนูหายหรือยังหนูรู้เองตัวเรารู้เองว่าผมรู้เองผมหายแล้วขอหมอถามหมอจะกลับบ้านได้หรือยังอะ หมอเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เจ็บแล้วก็ไปได้อันนี้ก็เหมือนกั น, นะนการปฏิบัติถ้ามันถึงขั้นหลุดพ้นจริงๆแนละ้วมันไม่ต้องไปถามใครว่าหลุดหรืยอยังถ้ามันยังสงสัยว่าหลุดหรืยอยังก็สแสดงว่ามันยังไม่อาจจะไม่หลุดก็ได้ก็ต้องรอสังเกตดูไปก่อนหรือว่ายังมีตัวไหนซ่อนเล่นอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีก็จะได้คอยกำจัดมันต่อไปนี่คือเรื่องราวของธรรมะที่พระเจ้าทรงสอน ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นให้ความสำคัญให้สนใจให้ศึกษาถ้าเจอกันคุยกันก็ให้คุยแต่เรื่องราวเหล่านี้เพราะจะเป็นประโยชน์เป็นการเสริมความรู้ความจำของของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้เมื่อนามาปล่ยปฏิบัติก็จะได้เกิดผลที่ต้องการคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา และขออนุโมทนาให้ผ่อนยัถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเเมวะสวิชฌตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันทูปนะวะโสยธามะนิโชติวะโสยธาสัพพิติโอวิวาจันโุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโน าาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่ขอตอบคำถามไม่คุยด้วยเพราะไม่มีเวลาไม่สะดวก อยากจะถามอะไรก็ถามในช่วงนี้ถ้ามาถามเองก็ได้ส่งกระดาษเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือส่งมาทางเพจทาง YouTube ก็ได้จะมีทีมงานเ อ, เอามานำมาอ่านมาถามวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook พระอาจารย์455ค่ะ YouTube พระสุชาติไลฟ์สองร้อยห้าสิบยู u ูบด็อกตรวีชแนลหนึ่งร้อยสิบเก้ามิทยุออนไลน์สิบคลับฮาสสิบเอ็ดผู้รับฟังนาคุติเก้าสิบสี่รวมทั้งหมดเก้าร้อยสาสิบเก้าท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็เอามาอ่านได้เลยมีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าแม่ชอบเล่นไพ่ เรามาขอเงินเพื่อไปเล่นไพ่แต่เราไม่ให้เราจะบาปไหมคะคือให้ทุกเดือนอยู่แล้วแต่จะมาขอเพิ่มเรื่อยๆคะ่ะก็ไม่ควรหรอกเพราะว่าอบายามุกนี้มันเป็นโทษไม่ได้เป็นคุณแต่อย่างใดเราให้เพื่อให้ท่านไปดูแลร่างกายของท่านให้เพื่อให้ไปใช้กับปัจจัยสี่แต่ถ้าท่านจะไปใช้ทางอื่นก็เป็นเรื่องของท่าน แต่เราก็ไม่ควรที่จะให้เพิ่มบอกว่าอยูให้ได้แค่นี้แหละกลับนมัช ก, การค่ะเโย ม, มิเล็จกจะถามว่าพอดีโยมมีอาชีพเป็นสตัตวแพทย์่ะค่ะแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคนเอาเต่าที่ถูกรดทับแล้วกระดองคือแตกโยมประเมิอนอาการแล้วอะค่ะว่าน้องน่าจะอยู่ได้อีกไม่น่าจะไม่น่าจะรอดอะคะ่ะแต่ด้วยความที่ว่าเต่าเนี่ยเขามี มีระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายที่ต่ำเขาจะตายช้ามากค่ะแต่ว่าต้องสี่ห้าหรืออาทิตย์หนึ่งกว่าเขาจะตายสลังเขาหักปอดเขาฉี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนทรมานนะคะพยายามยืดหดหัวคือโยมก็ใจนึงก็อยากจะช่วยการุญญาฆาตแต่อีกใจก็ไม่กล้าทำเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นบาปกลัวผิดศีลนะคะก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดช่วยการุญยาฆาตเขาเราจะบาปมากไหมคะแล้วถ้าเทียบกับ คนที่เขาแบบสมมติเขาตียุงตียุงตายเพราะว่ายุงมากัดเราแต่อันนี้เราอยากจะช่วยเขาเพื่อไม่ให้เขาทรมานแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์อะคะ่ะก็บาปเหมือนกันเป็นการฆ่าเหมือนกันเหตุผลกการฆ่าต่างกันก็ตามแต่การกระทํามันอันเดียวกันก็คือการฆ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาอยู่ไปตามสภาพของเขาเถอะเราคิดไปเองว่าเขาทรมานเขาอาจจะไม่ทรมานอย่างที่เราคิดก็ไดนะ้ เพราะภาวะจิตใจของเขาอาจจะนิ่งสงบแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นก็รักษาได้รักษาไปช่วยได้ช่วยไปแต่ไม่ควรที่จะไปทำให้เขาตายปล่อยเขาตายเองโดยธรรมชาติของเขาค่ะฉีดยาลดปวดอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าได้ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดอะไรได้ทาไปได้ แต่เรามีหน้าที่ช่วยเหลือเขาไม่ใช่มีหน้าที่ไปช่วยช่วยให้เขาตายเราไม่ได้เรียนมาเพื่อมาช่วยให้เขาตายอย่างงี้ก็ง่ายสิใครมาก็ฉีดยาให้มันตายไปหมดเลยอ่ะอันนี้เห็นสันหลังเขาหาักแล้วก็ปอดแบบหมดเลยแล้วรักษาไม่ได้ก็ให้อยู่ไปตามสภาพไปค่ะค่ะมีอีกคําถามหนึ่งค่ะแตก่กิจการที่บ้านโยมจะเป็นขายของอะค่ะทีนี้ ขายของก็คือขายทุกอย่างมันก็จะมีพวกสุราและเบียร์และสุราและเบียร์เนี่ยเป็นของที่ขายดีมากคือแบบว่าคนซื้อเยอะมากค่ะมันเลยทําให้ใแบบเลี่ยงยากมันค น, คนเมาก็มากคนบ้าก็มากคนที่ถูกคนเมาคนบ้าฆ่าก็เยอะเราต้องคิดถึงผลกระทบที่ตามมาต่อไปเวลาเราขายอะไรมันไปส่งเสริมให้คนไปทําร้ายผู้อื่นหรือเปล่าถ้าเป็นการไปทําร้ายผู้อื่นก็ไม่ควรจะส่งเสริมไม่ควรจะขาย เอามากน้อยสังเกตในปัจจัยสิ่งดีกว่าพออยู่พอกินไปอย่างน้อยเราไม่มาไ ม, ไม่ได้มาช่วยสร้างความบ้าให้กับสังคมให้มากขึ้นมันเป็นกิจการของป้ากับม้าค่ะก็ <พอ S 1> เรื่องของเขาไป <c oughs> ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้ามันเป็นเรื่องของเขาก็าจะทําก็ห้ามก็ไม่ได้ก็ปล่อยเขาทําไป <c oughs> เพราะเขาอาจจะไม่รู้หรือเขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องราวเหล่าบบนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของเขาไปแล้ววันหนึงมันอาจจะกลับมาหาเขาเอง เกิดบันดีกันดีก็เดินข้ามถนนในคนที่มาซื้อเหล้ากินเม า, เามันขับรถผ่านมามันชนเราตายมันก็แล้วมันมีการแบบจะทําทําบุญหรือทําอะไรที่พอจะบุญก็เรื่องของบุญ <c oughs> เรื่องของบาปก็คนะบาปไม่ลบล้างกันแต่มันเอามาต้านทานกันได้เพราะใจเรานี้จะไปสูงไปต่ําอยู่ที่กําลังของบุญหรือบาปถ้ากําลังบุญมีมากกว่าบาปก็ยังขึ้นสูงได้แต่ถ้ากําลังบาปมีมากกว่ากาลังบุญมันก็จะลงต่ํา แต่เรื่องการทำอาชีพที่ที่ไม่ได้ผิดศีลก็ไม่บาปขายสุราไม่บาปดื่มสุราถึงจะเรียกว่าบาปแต่เป็นการเสริมไปช่วยให้คนที่อยากจะดืม่มสุรามีสุราดืม่มแล้วเขาได้ทำบาปแล้วพอเขาทําบาปเขาไม่มีสติก็อาจจะไปทำร้ายผู้อืนนะ่นไดเวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเกิดการอราละวาขึ้นมาค่ ะ, ะมีอยู่ค่ะ เรต้องคิดให้มันลึกคิดทำให้มันกว้างยาวแต่เฉพาะผลประโยชน์ที่เราคงจะได้เพียงอย่างเดียวเพราะโทษมันอาจจะกลับมาหาเราวันใดวันหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ขายให้คนเราเล่ากินมันบ้าขึ้นมามันอาจจะกดขี้หน้าเรามันอาจจะมาหาเรื่องกับเราก็ได้ก็อย่าทำอาชีพที่ส่งเสริมไม่เกิดมีการทาร้ายกันทาลายกัน บางท่าเขาจะทําก็เป็นเรื่องของประเจกบุคคลไปตัวใครตัวมันกรรมใครกรรมมันพ่อแม่ทําบาปทํากรรมมันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่ถ่ายทอดมาให้กับลูกลูกมันได้รับผลของการทําบุญทําบาปของพ่อของแม่อันนี้ของใครของมันพระเจ้าถึงบอกเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำำํากรรมบรรดาไว้ดีหรือชั่วบาปบุญหรือบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะั้นคนอื่นไม่มารับผลแทนเราและเราก็ไม่ไปรับผลแทนคนอื่น ของครของมันคำถามจากคุณพุทธค่ะกลับนวัสการพระอาจารย์ครับเวลากำหนดพุทโธความกำหนดรู้ควรอยู่ที่ความคิดเป็นคำว่าพุทโธหรือควรอยู่จุดใดครับก็อยู่ที่พุทโธแต่ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวหการทางานเราก็ต้องอยู่กับงานเช่นเรากำลังขับรถเราจะไปอยู่พุทโธเราไม่ดูถนน เดี๋ยวรตัดหน้าหรือคนวิ่งตัดหน้าหรืออะไรไม่ได้ต้องอยู่กับงานที่เราทำอยู่เพียงแต่ใช้พุทโธช่วยดึงใจให้มาอยู่กับงานที่เราทำไม่ให้ไปคิดไม่ให้ใจลอยไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้คนนั้นเขาด่าเราว่าเราเจ็บใจเจ็บแค้นน้ำใจอะไรอย่าให้ใจลอยไปให้อยู่กับงานที่เราทำถ้าเราอยู่กับงานที่เราทาได้เราไม่ต้องใช้พุทโธก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณแอนค่ะเวลาตอนนี้เวลานั่งสมาธิสามารถได้นั่งได้นานกว่าเดิมแต่จะชอบเห็นควันสีขาวไม่ทราบว่าคืออะไรคะ <พอ S 2> และ<จ>พ่อใจเราไม่นิ่งพอไงลรต้องอยู่กับพุโทโธต่อไปหรืออยู่กับลมต่อไปอยาหยุดดูลมไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะเนิ่งสงบทุกอย่างหายไปหมดเนื้อแต่ความว่างคำถามต่อไปจากคุณขวัญนาเรศค่ะ การเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องหนึ่งการทำบุญบริจาคเงินถวายเงินเยอะๆ 2. กับการปฏิบัติธรรมวันละส0นาทีถึง20นาทีอันไหนมีประโยชน์สูงสุดกว่ากันครับกับน้ำมสการครับก็ต้องทำทั้งหมดนะไม่ยากจะเลือกทำเอาเสียดายเงินอของนั่งสมาธิแทนเงินมันก็จะกลายเป็นตัวที่จะบันขวางการนั่งสมาธิให้ได้ให้ได้ผลดี ต้องยังมากังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ <S <S ก็จะปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้มากไม่ได้ผลแต่ถ้าไม่มีเงินทองหรืออยู่ในในตัวเองแล้วก็สบายไม่มากังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองอย่างพวกที่เข้าไปบวชกั น, นเขาไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการหาเงินใช้เงินเขาก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้นานแต่ถ้าเรายังต้องกังวลกับการหาเงินใช้เงินอยู่นี่นั่งสมาธินั่งไม่ได้หรอกสิบนาทีห้านาทีก็นั่งไม่ได้ ยังต้องสละเงินทองไปก่อนเราถึงจะทําให้ใจเราไม่มากังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองเราจะทําให้การนั่งสมาธินี้เป็นไปได้ได้ง่ายได้ดีคํำถามต่อไปจากคุณทิพย์ค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะวันหนึงขับรถมีนกข้ามถนนพยายามหลบนกแล้วแต่นกบินขึ้นมาแล้วเราก็ชนโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้จะบาปหรือไม่เจ้าค่ะไม่บาปหรอกมันเป็นอุบททัติเหตุไม่มีความตั้งใจ มันก็อาจาจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เราขับรถไปคนเมาขับมาสวนทางเราวิ่งเข้ามาใน เ, เราชนเรา่านี้มันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยเขาก็ไม่บาดแต่ความเสียหายหเกิดขึ้นเสียห้ยก็คือเราอาจจะตายหรืออาจจะเจ็บเสียทรัพย์สินอะไรต่างอันนี้ก็สาเหตุจากการมึนเมาจากการไม่มีสติคำถามต่อไปจากคุณนาวินค่ะ ขอเข้าสมาธิเวลาผ่านไปเร็วมากเวลาเดินปัญญาเวลาผ่านไปช้ามากครับเพราะอะไรครับไม่รู้เหมือนกันมันเดินเท่ากันอ่ะมันจะม่ช้าเรื่อร็วะไงะมันอยู่ที่ความรู้สึกของคุณเองคำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาทาง YouTube ค่ะกาเบียนถามเจ้าค่ะถ้า ทุกคนไม่มีคู่ครองซึ่งต้องปฏิบัติอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ผู้มีบุญจะได้มาเกิดเพื่อมาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ได้อย่างไรเจ้คะขอความมิมันเป็นไปไม่ได้หรอที่ไม่มีคู่ครองออกไปประกาศเลยว่าต่อไปนี้ห้ามมีคู่ครองดูนี้ทําได้ไหยใครมีคู่ครองจับติดคุกไเลยเดี๋ยวต่อไปสร้างคุกตานังไม่พออยู่งั้นอย่าไปถามคําถามนี่มันเป็นไปไม่ได้จะให้เราไปตอบยังไง คำถามต่อไปจากคุณน้ำฝนค่ะพี่สาวหนูกำลังคบผู้ชายเจ้าชู้ตอนแรกเขาโกหกว่าเลิกกับแฟนแล้วเลยคบกันแต่พอหลังรู้ว่าเขาโกหกก็ยังคบกันอยู่ทำให้ผิดสินข้อสาแล้วพี่สาวก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาทำให้เสียทั้งทรัพย์สินทั้งกายและใจเหตุต่างๆนี้เป็นเพราะผิดสินใช่ไหมเจ้าคะ มันก็มีหลายสาเหตุด้อยกันกนารผิดศีลก็มีในโทษของมันแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นตอนที่เราทาปุ๊บก็ได้มันอาจจะเป็นวาละอื่นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเรื่องของของกรรมอย่างอื่นที่ทําให้เกิดขึ้นก็ได้อย่งจะไปพูดว่าพอผิดศีลปั๊บเรื่องไม่ดีต่างๆมาเลยมันก็ไม่ใช่พรคนทําผิดศีลแล้วกลับได้ดิบได้ดีก็มี ทำผิดศีลโกหกลงรู้ว่าได้เรื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งก็มีได้เงินได้ทองก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปจับแพชชนแกะได้นะเพียงแต่ให้ดูว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องผลของกรรมดีแต่ตัวไหนไม่รู้สิ่งที่ไม่ไดีเกิดขึ้นก็ไม่มันก็เป็นผลของกรรมไม่ดีแต่ไม่รู้เป็นตัวไหนตัวของวันนี้หรือของเมื่อวานนี้ของเดือนที่แล้วเราไม่รู้คำถามต่อไปจากคุณบอยค่ะ สามารถบรรลุอนาคามีหรืออรหันต์ได้โดยยังไม่ผ่านขั้นโสดาบันได้หรือไม่ครับออจอบปริญญาโดยไม่ผ่านชั้นมัธยมปฐมไดไหรือเปล่า ม, มันก็แบบนั้นนะ่ะตอนนี้คำถามหมดแล้วค่ะหลวงพ่อคำถามหมดแล้วมันเป็นขั้นความยากง่ายมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันอนุบาลมันง่ายกว่าขั้นปฐมปฐมมันง่ายกว่าขั้นมัธยม มัาถือ ม, มันี้ง่ายกว่าขั้นปริญญาทุกคนก็อยากจบปริญญาก็พอเข้าโรงเรียนได้ก็สมัครเรียนปริญญาเลยดีกว่าอย่างนั้นไม่ต้องเสียเวลาเรียนต้องสิบกว่าปีเป็นจบปริญญาเป็นหมอเป็นแพทย์ภายในหนึ่งปีสองปีเลยไม่ดีถ้าเป็นไปได้ก็ทําไปก็อาจจะมีบ้างทีงนี้ในวันเดกกัตฉริยะเนี่ยกัตฉริยะตัวนี้เขามีปัญญามาก ปัญญาในใจเขามีมากสติเขามีมากเขาศึกษาแล้วทุ๊บเขาเข้าใจปั๊บทำได้ทันทีเลยอันนี้ก็มีเด็กอายุสิบสิบขวบอันนี้จบปริญญาตรีก็มีบางท่านแต่มีน้อยมากแต่สําหรับคนทั่วไปนี้มันยากพระพุทธเจ้านี้เกิดมาก็เดินได้เจ็ดเก้าเลย น, นี่ก็เพราะกำลังของสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามีสติที่จะสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาได้เลย พอจากท้องน้ามาก็เหมือนตื่นเลยเพอตืิดขึ้นมันก็สั่งให้ลุกได้เลยแต่เดินได้ไม่ไกลเพราะว่าร่างกายมันยังไม่เคยเดินมันก็เลยเดินได้แค่เจ็ดเก้าเรื่องราวนี้มันเป็นไปได้มันมันอยู่ที่กําลังของจิตจิตเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวถ้าจิตมีมมพลังมันก็สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้มากถ้าจิตไม่ไม่มีพลังมันก็สั่งให้เคลื่อนไหวได้ไม่ได้ต้องใช่เลยล่ะ หล้วเ <ขา S 2> ะเจ้าค่ะไม่มีทางเรื่องเรื่องของธรรมานี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆจๆเย็นๆแล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ด้วย<ม>ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัตินี่มันก็จะไม่เข้าใจ<ม>เข้าใจก็ไม่ลึกซึ้ง<ม>แล้วก็อาจจะเกิดการสับสนขึ้นมาได้ แต่ถ้าได้ปฏิบัติควบคู่กับการไปศึกษาโดยเฉพาะศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้อง<ม>อย่าไปศึกษากับคนที่ไม่รู้ไม่ชี้ที่สอนแบบผิดๆเด็ดๆมันจะยิ่งทาให้เกิดการสับสนมากขึ้นคนจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากศึกษาจากพระพระภาษาวกต่างๆเกิดพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปุบาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียง ในเรื่องของการปฏิบัติเช่นหลวงปู่มั่นแล้วก็ลูกจิษย์ของหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ที่ปไปศึกษากับหลวงปู่มั่นบรุธรรเป็นพระอริยาบุคคลขั้นต่างๆมีืหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั้นหลวงปู่ดีหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ถูกต้อง ถ้าอยากจะเรียนรู้ก็ให้เรียนรู้จากคําสั่งคําสอนของท่านเหล่า น, นี้แล้วก็ต้องนํามันไปปฏิบัติด้วยถึงจะถึงจะเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริงถ้าเพียงแต่อ่านก็ยังอาจจะเป็นเหมือนกับการดูรายการอาหารเนี่ยเราไปร้านอาหารเขาก็เอารายการอาหารมาให้เรามีไก่ทอดมีหมูทอดมีหมูย่างอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้ดูไปแล้วก็จินตนาการไปพอสั่งเข้ามามันอาจจะไม่เป็นเหมือนกับที่เราคิดก็ได้ ว่ามันจะ อ, ร, จอร่อยที่ไหนได้กินเข้าไปกินไม่ลงก็มีต้องพิสูจน์ดูว่าอของเขาอร่อยไหมน่ากินไหมด้วยการรับประทานไม่ใช่ด้วยด้วยการดูรายการอาหารแล้วก็ไปจินตนาการว่าน่าจะอร่อยนะน่าจะดีนะอย่างนี้ยังไม่ยังไม่เข้าถึงความจริงธรรมะที่สอนนี่ก็เหมือนกันสอนให้ให้ไปถือความนักน้อยสันโดษดีไหมดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไร ถ้าไม่ทําก็ไม่รู้ต้องทำเดี๋ยวทำเดี๋ยเออชีวิตเรานี้หา้ความวุ่นวายไปเยอะนะความยุ่งยากนะอยู่แบบเรียบง่ายนี่มันแสนจะสบายไม่ต้องคอยไปกังวลติดตามการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นอยู่เรื่อยเดี๋ยวขาสั้นบ้างเดี๋ยวขายาวบ้างเดี๋ยวกระโปรงบานบ้างเดี๋ยวผมสั้นบ้างผมยาวบ้างติดตา ม, มไปอีก่มันก็วนใบเวียนมาอย่างเงี้ยเหมือนกับที่จะกินหางตัวเองตามไปไม่ทนันหรอก อ ย, อย่าไปอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่สำคัญเอาแค่พอให้รู้ว่าเป้าหมายของการใช้ปัจจัยสี่มีไว้เพื่ออะไรเพื่อเรี้ยงดีร่างกายเราเท่านั้นเองมีคำถามเข้ามาอีกไหมมีคำถามเข้ามาค่ ะ, ะ, าะถามว่าถ้าถ้าอยู่คนเดียวตอนแก่ขอขอภัยค่ะถ้าอยู่คนเดียวแก่มาจะทำอย่างไรเจ้าคะถ้าอยู่คนเดียวมาได้ก็อยู่ต่อไปได้อยู่ไปจนวันตายก็ได้ ม่เห็นมีปัญหาเลยถ้าอยู่คนเดียวได้มันอยู่ไม่ได้ก็ตายทั้งนั้นถ้ามีใครไม่ตายได้อยู่กับคนสิบคนร้อยคนเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเราเจ็บตายมันไม่ต้องไปกังวลหรอกถ้าเราอยู่คนเดียวได้แล้วไม่ต้องกลัวอยู่ได้จนวันตายอยู่คนเดียวได้จนวันตายค่ะอีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะกาเรียนถามค่ะมีคนบูัาเล่าให้ฟังว่า พระที่บรรลุที่พระที่บรรลุแล้วสามารถมีภรรยาได้หรือไม่คะสามารถอะไรนะมีภรรยาได้หรือไม่คมีภรรยารใช่คะ่ะก็บรรุบรรลุบรรลุอะไรก็บรรลุเนี่ย กี่คำถามนึ่งเจ้าค่ะซื้อปลาหน้าเขียงเพื่อจะนํานําไปปล่อยแต่ปลาตายระหว่างทางแบบนี้เราจะบาปหรือไม่คะถ้าเราไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เขาตายก็ไม่บาปเช่นเราไปไม่ใส่ไว้ในน้ําให้ก็มีน้ําบ้างอะไรนี้เขาก็อาจจะตายได้หรือซื้อไปแล้วแวะไปซื้อข้าวซื้อของปล่อยให้มันอยู่ในร้อนอันนี้มันก็เป็นตัวความหมกมุ่งของเราถึงว่าจะไม่มีเบ็ดมันไม่บาปแต่มันก็เป็นการสูญเสียเพราะเราไม่มีเจตนา เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเราต้องการที่จะช่วยหลือชีวิตเขาเราต้องเ อ, เอาความสำคัญของเขาไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรรีบว่าไปปล่อยเลยซื้อมาแป๊บแล้วก็รีบว่าไปปล่อยลงน้ําไปก่อนเลยไม่ต้องไปรอให้มีพระมาสวดมาทําพิธีแบบไม่เกี่ยวกันพระสวดไม่สวดหนึ่งก็ได้บุญเท่ากันรีบไปปล่อยซื้อมาปุ๊บถ้ามีท่าน้ำแถวนั้นก็ไปปล่อยตรงนั้นเลยให้มันได้หมดปัญหาไป พยาไปซื้อไว้ทิ้ไว้ในต้นแล้วก็ไปทำเท่าไรอย่างอื่นเดี๋ยวบางที่ลืมกลับมาพูดีอ้าวตายซ ะ, ะ้วตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะรล้วจังไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้วาวาหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ